ไฟนีออนหรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ให้แสงสว่างกับเราจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้สว่างตลอดเวลาอย่างที่เราเห็นนะมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับถี่มากภายในหนึ่งวินาทีนี่มันเกิดดับไม่รู้กี่ร้อยหรือพันครั้งเนื่องจากมันมันถี่มากเราก็เลย เห็นเหมือนกับ ว, ว่ามันสว่างตลอดเวลาอันนี้ก็คล้ายๆกับโทรทัศน์หรือว่าจอคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วมันมันดับมันสว่างแล้วมันก็ดับสว่างแล้วก็ดับอย่างเร็วมากหนึ่งวินาทีนี่มันสว่างแล้วก็ดับนี่เป็นร้อยเป็นพันครั้งหนึ่งวินาทีนี้เราอาจจะคิดว่ามันมันสั้นนะแต่ว่าสา ม, มารถที่จะซอยย่อยออกมาเป็นพันส่วนก็ได้ ภายในหนึ่งวินาทีเนี่ยอย่างนาฬิกาในคอมพิวเตอร์ข้างหลังของเราเนี่ยพอซอยวินาทีออกมาเป็นเป็นพันส่วนขนาดที่ของคนเราแต่ละขนาดแต่ละขณะมันก็ที่ยิบขนาดนั้นแหละก็คือว่าภายในหนึ่งวินาทีมันเกิดดับเกิดดับเป็นร้อยหรือเป็นพันอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของเราอย่างไร คืออารมณ์ความรู้สึกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเราที่เราเห็นเหมือนกับว่ามันอยู่ได้เป็นวันๆหรือว่าอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเกิดมาแบบเป็นดุนเป็นก้อนนะความโกรธนี่มันก็มันเกิดดับเกิดดับเหมือนกับไฟนีออนนี่แหละในขนาดจิตหนึ่งนี่มันก็เกิดดับถี่มาก มันทีจนกระทั่งเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอ้ความเกิดไอ้ความโกรธเมื่อชั่วโมงที่แล้วกับความโกรธตอนเนี้เป็นอันเดียวกันแต่มันไม่ใช่มันคนละอันสติของเราก็เหมือนกันสติของเรานี่ก็เกิดดับเกิดดับมันไม่ใช่ว่ามันจะต่อเนื่องอันนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสติของคนเราเนี่ยมันเกิดแป๊บหนึ่งแล้วมันหายไป มันก็ไม่สามารถที่จะจะละความโกรธหรือว่าจะละอารมณ์ความรู้สึกได้บางทีฟังครูบาอาจารย์บอกว่าเมื่อมีสติเมื่อรู้ทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นทันทีที่รู้ทันด้วยสติใอ้ความคิดความนึกต่างๆก็หลุดไป แต่ว่าในประสบการณ์ของเราเราจะบอกว่าโอ้ก็มีสตินะก็รู้นะว่าโกรธนะแต่ทำไมมันยังโกรธอยู่ได้อันนี้ก็เพราะว่าตัวรู้หรือสติของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแว บ, บหนึ่งแล้วก็ดับไปถ้ามันเกิดขึ้นต่อหลายๆแวบหลายๆแบบขนาดจิตอย่างต่อเนื่องก็สามารถที่จะเปื่องจิตให้หลุดจากอารมณ์ได้แต่ว่าสติที่ยังอ่อนอยู่เนี่ย มันเกิดขึ้นแว บ, บหนึ่งแล้วดับไปดับไปแล้วไม่เกิดขึ้นต่อหรือเกิดขึ้นอีกสองสแว บ, บแล้วหายไปเลยมันก็ไม่ต่างจากไฟนะที่กําลังไหม้แล้วเราฉีดน้ำเข้าไปฉีดน้ำเข้าไปสองสาครั้งแล้วหายไปเนี่ยไฟก็อาจจะชะ ง, งักประเดี๋ยวเดียวแต่พอน้ําหมดมันก็ลามใหม่แต่ถ้าเราฉีดน้ําแบบพุ่งขึ้นเป็นสายเนี่ยหลายๆครั้งอย่างที่เราเห็นเขาเวลาเขาฉีดน้ําลดติมเิงเนี่ยมันจะพุ่งเป็นสายสายเป็นพุ่ง หลายหายครั้งนะถ้าปรุงหลายๆครั้งติดต่อกันเนี่ยไฟมันก็ดับได้ในที่สุดแต่ถ้าปรุงครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปไฟมันก็ชะ ง, งักได้เดี๋ยวเดียวแล้วมก็โหมโหมใหมนะ่ตั้งหลักใหม่ได้เพราะว่าเชื้อยังมีอยู่นะไฟอารมณ์ไฟโทรศัสนี่มันมันมีเชื้อนะเชื้อมันมาจากไหนเชื้อก็มาจากจิตที่ปรุงแต่งนั่นแหละ จิตที่คิดวนคิดเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆมันคือเชื้อที่ทําให้ไฟโทสากเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นแล้วเราเพลินเรามีสติรู้รู้วับโถสากมันก็ชะ ง, งักไปแล้วถ้าเรารู้ต่อแบบหลายๆแบบหลายๆขณะจิตติดต่อกันต่อนเนื่องไฟโทสากก็จะค่อยดับไปหรือถ้าสติมันเร็วมากเนี่ยมันก็ไม่เปิดโอกาสให้ความโกรธเนี่ย มันขึ้นได้อีกเพราะโทสศันี่มันมันต่างจากไฟอย่างหนึ่งไฟนี่มันเกิดขึ้นต่อเ น, นื่องแต่โทรศัพนี่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้ามันดับแล้วไม่แล้วมีสติคุมเอาไว้มีสติรู้เอาไว้อย่างต่อเ น, นื่องมันดับแล้วมันก็เกิดยากแล้วคราวนี้แต่ถ้าสติอ่อนสติดับแล้วสติไม่เกิดขึ้นมาแทนอีกอย่างต่อเ น, นื่องเหมือนกับไฟเนี่ยไฟนีิออนถ้าสติของเราไม่ เกิดดับเกิดดับอย่างทียิบต่อเนืงเหมือนกับไฟนีออนมันก็เหมือนกับว่าไม่สว่างมันก็สว่างสว่างดับดับสว่างสว่างดับดับก็ไม่สามารถจะขับไล่ความมืดออกไปได้ในที่สุดและพอดับเกิดดับเกิดดับสว่างดับสว่างดับได้ไม่นานหมดแรงซะก่อนเช่นไฟอ่อนเนี่ยกำลังไฟมันอ่อนมันก็ดับไปเลยดับไปเลยคือนิความมืดก็เข้ามาคลุม แทนที่งั้นหน้าที่ของเราคือว่าก็พยายามที่จ ะ, จะเจริญสติให้ต่อเนื่องแต่ความต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคุมไม่ได้เราไม่สามารถจะบังคับให้สติมันเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องแต่เราสามารถที่จ ะ, จะเจริญหรือว่าบ่มเพาะสติเหมือนกับที่เราลดน้ำต้นไม้เราไม่สามารถจะบังคับต้นไม้ให้โต ได้อย่างที่เราต้องการแต่ว่าถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยอยู่บ่อยๆนะเช่นลดน้ำพรวนดินให้ใส่ปุ๋ยนะต้นไม้ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะการจลสติเราก็นะก็อาศัยนะการที่เราได้ฝึกปฏิบัติถูกวิธีก็คือการที่เราได้เห็นอารมณ์ต่างๆอยู่เรื่อยๆเผลอไปไม่เป็นไรเผลอไป รู้สึกตัวเราลึกขึ้นมาได้กลับมาใหม่เพิ่ไปเราลึกขึ้นมาได้กลับมากลับมาการที่ได้กลับมาบ่อยๆนี่ก็ทําให้สตินี้ว่องไวกระฉับกระเฉงปราดเปรียวมากขึ้นสติก็จะจําสภาวะอารมณ์ต่างๆได้ได้แม่นขึ้นพอมันเกิดขึ้นปุ๊บก็จําได้ปั๊บว่าอ๋อนี่แหละไอ้นี่แหละคือตัวกโกรธอ๋อนี่แหละคือตัวตัวทุก ไอ้นี่คือคือความฟุ้งซ่าอุทจักกุตจัเราไม่ได้เรียกชื่อไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อนะเพียงแต่ว่าเพียงแต่รู้รู้สภาวะของอารมณ์หรือรู้ว่าจิตมันเสียสมดุลไปเวลาเราเวลาเราดีใจก็ตามเสียใจก็ตามเนี่ยจิตมันจะจิตมันจะเอียงจิตมันจะเสียปกติไปดีใจก็ทําให้จิตเสียปกติเสียใจก็ทําให้จิตนี้ไม่เป็นปกติมันแกว่งอ่ะเราจะเรียกว่ามันกระเพื่อมก็ได้ สติที่ไวเนี่ยเพียงแค่กระเพื่อมนิดหน่อยก็รู้แล้วแต่ถ้าสติไม่ไวเนี่ยก็ต้องกระเพื่อมแรงๆถึงจะรู้แต่เมื่อสตินี้ได้ได้คุ้นเคยกับอาการกระเพื่อมของจิตอยู่บ่อยๆก็จะจำได้นะเพียงแค่กระเพื่มนิดเดียวก็จะรู้เมื่อรู้แล้วก็นะแม้จะคิดเพียงแปบบ๊แ บ, บเดียวเนี่ยพอพอสติรู้เข้านะจิตมันก็หยุดคิดไปเอง ไอการที่จิตลักคิดเนี่ยมันกิเหมือนกับเมนกัขโมยนะขโมยเนี่ยเวลาเจ้าบ้านนี่เห็นเนี่ยว่ามันกำลังขโมยหรือกาลังเข้ามาปนของในบ้านพอมมนรู้ว่าเจ้าของเห็นหรือเพียงแค่เจ้าของเปิดไฟนะมันก็เผ็นละเพราะว่ามันกลัวที่จะมีคนเห็นเจ้าของบ้านไม่ต้องมีปืนไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องมีกำลังเข้มแข็งอะไรมาเพียงแค่ว่าเปิดไฟนะหรือว่าทำท่าว่าจะเข้ามาเห็นมันมันก็หายไปแล้วนะอาการจิตเมื่อมันลักคิดหรือมันมันโกรธหลงโกรธนะลักคิดหรือหลงโกรธหรือหลงเกลียดนะอาการเหล่านี้มันเกิดจากความหลงทั้งนั้นแหลนะมันเหมือนกับโจรที่เข้ามาที่เข้ามาแอบมาปล้นจิตของเรา นะแอบมาคลองจิตของเราแต่เมื่อเราเห็นเข้ามันก็หลบไปมันอายอย่างที่เคยเล่าว่าเนี่ยมานเนี่ยมันมันกลัวกลัวคนรู้ทันมันจะปลอมมันจะป่วนยังไงอย่างเช่นมันเคยเข้าไปเช่นพู้ะอาจานี่กำลังกาลังทรมานพรมทรมานก็คือว่ากาลัง จะทําให้พรมเนี่ยเปลี่ยนความคิดว่าตัวเองนี่เป็นเป็นอัตตาหรือเที่ยงปะกาพรมเนี่ยก็มีพรมอีกมานี่ก็เข้ามาสิงอีกพรมอีกคนหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีก ต, ห น, กตนหนึ่งแล้วก็ตอบว่าพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ว่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพียงแต่บอกว่าเนี่ยมารผู้มีบาปเรารู้จักเจ้านะเจ้าอย่ารู้ว่าเราไม่รู้จักเจ้าเพียงแค่นี้แหละมันก็ มันก็หลบไปเลยมันก็หลุดออกจากพรมหรือว่ามานี่นเข้ามาสิงในท้องของพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะก็ไม่ไม่ได้ใช้อิทธิฤทธิ์อะไรมากก็เพียงจะบอกว่าเนี่ยมารผู้มีบาปเรารู้จักเจ้านะอย่าไปนึกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเนี่ยมานี่พอมันรู้หรือพอมันพอพอ มีคนรู้ทันหรือพอมีคนเห็นอุบายของมันมันก็ไปเองเนะไอ้กิเลสที่มันมาลักคิดหรือมันมาทำให้เราหลงโกรธเนี่ยมันก็กลัวกลัวสติที่จะเห็นมันเหมือนกันแต่ว่าไอ้การเห็นของเราด้วยสติเนี่ยมันมันถ้ามันไม่ต่อเนื่องมันไม่มีกำลังเกิดแล้วก็ดับดับแล้วไม่ขึ้นต่อไม่เกิดต่อ นะก็อารมณ์อากุศลต่างๆพอมันเห็นสติดับไปมันก็เข้ามาเล่นงานจิตเหมือนเคยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกให้สติของเรานี้นะว่องไวปราดเปรียวที่เรียกว่าแม้จะเกิดและดับแต่ก็เกิดใหม่อย่างทียิบนะนะอันนี้เป็นเรื่องการฝึก นี่การปฏิบัติเนี่ยมันก็เราก็อาศัยสตินี่แหละเป็นเป็นผู้เป็นผู้รู้นะเป็นผู้เห็นไอ้ช่ว่าผู้รู้ผู้เห็นนี่เราก็ก็พูดไปตามภาษานะภาษาสา ม, มัญเพื่อให้เข้าใจง่ายจริงๆแล้วก็ต้องมีสัมปชัญญะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสติสัมปชัญญะนี่เป็นของคู่กัน สติคือระลึกได้สัมปชัญญะคือรู้ตัวแต่แล้วก็พูดรวมๆกันไปว่าเนี่ยสติคือระลึกได้บ้างละสติคือความรู้ตัวบ้างละเนะมื่อรู้ตัวแล้วมันก็สลัดอารมณ์ต่งตางๆไปได้ในการเจริญสติเนี่ยเราก็ทำนะทั้งโดยอาศัยรูปแบบนะคือการสร้างจังหวะเดินจงกรมโดยอาศัยสภาพแวดล้อม ที่มาช่วยให้การปฏิบัติของเราเป็นไปได้สภาพแวดล้อมของเรามันช่วยให้ความคิดมันน้อยลงนะเมื่อความคิดน้อยลงแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันไม่มีอาหารกินหรือมีอาหารน้อยมันก็อ่อนแรงมันจะเปนก็ไม่ปาดเปลี่ยวเหมือนก่อนแต่ขณะที่เราปฏิบัติอยู่เล่ยสติของเราก็ปาดเปลยวมากขึ้นก็สามารถที่จะวิ่งไล่ทันนะความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกได้ ถ้าไปอยู่ในชีวิตประจํวาวันเนี่ยมันมีสิ่งกระตุ้นเยอะความคิดของเราก็ปราดเปรียวมันเก่งในการคิดเราคิดได้เรื่อยๆความคิดก็ไวสติซึ่งยังไม่ได้พัฒนาก็ตามไม่ทันแต่พอเรามาอาศัยสภาพแวดล้อมอย่างในวัดหรือว่าการมาเก็บอา ร, รมณ์อย่างนี้มันไม่มีเรื่องที่จะมากระตุ้นให้เกิดความคิดมากข่าวสารต่างๆก็ไม่มีโ ท, ทรศัพท์จดหมายต่างๆก็ไม่ค่อยได้รับรู้งั้นความคิดมันก็ค่อยอ่อนแรงไป ถึงแม้มันจะหาเรื่องคิดต่างๆมากมายแต่มันก็คิดได้น้อยลงเมื่อคิดได้น้อยลงหรือคิดได้ช้าช้าลงสติก็ก็เริ่มจะพอฟัดพอเบียงกับมันได้นะอันนี้ก็ทําให้สตินี่ก็โตขึ้ น, โ ต, นโตขึ้นได้เรื่อยๆเพราะว่าได้คู่ซ้อมที่ได้คู่ซ้อมที่ที่พอแก่ฝีมือเมื่อคนฝึกใหม่ๆนักมวยใหม่ๆนี่ถ้าเจอคู่ซ้อมหนักๆตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็ไม่มีทางจเจริญ ไม่มีทางที่จะเก่งได้แต่ถ้าเกิดเจอคู่ซ้อมที่พอพ อ, พอฟัดพอเบียงกันสติก็โตขึ้นได้นะเราก็ต้องการปฏิบัติเนี่ยในรูปแบบก็คือการพยายามที่จะสร้างหรือหาคู่ซ้อมที่มันพอฟัดพอเวียงกับสตนะิในขณะที่สติก็ได้รับการขุนการบำรุงก็มีกาลังที่จะสู้กับคู่ซ้อมซึ่งอดอาหารมาหลายวันหรือว่ากินบ้างไม่ได้กินบ้างนะมันก็ ก็เลยพอที่จะเอาชนะได้แต่ว่ามันก็มีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันในอิริยาบถประจำวันด้วยซึ่งเราก็ต้อ ง, อ ต, องต้องใส่ใจการปฏิบัติในรูปแบบการปฏิบัตินอกรูปแบบนี่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเกื้อกูลกันแต่ว่า เ, เอาถึงเอาถึงที่สุดแล้วนีน่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญ อย่างอาจารย์ประโมทซึ่งหลายท่านในที่นี้ก็รู้จักนะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ศึกษามากจากครูบาอาจารย์หลายสำนักแล้วก็โดยเฉพาะทางสายของพระาจาันมั่นท่านอาจจะบวชได้ 5, 6พันสาแต่ว่าปฏิบัติตั้งแต่เป็นคารวะมา 30, ม0ปีแล้วท่านก็ศึกษามาหลายสำนักมาก โดยเพาะทางด้านของอาสายของพระจันทร์มันท่านก็ได้พูดถึงพระจันร์มันไว้ว่าพูดถึงคำพระจันทร์มันก็ได้สอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของา ก, การปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญสติในชีวิตประจาวันนะถึงแม้ว่าท่านจะแนะให้ลูกศิษย์ได้บำเพ็ญสมถกรรมฐานมากแต่ว่าก็ได้ย้าให้เมื่อออกจาก จากกรรมฐานแล้วก็ให้มีสติรู้กายรู้ใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือท่านศึกษาไปรวมธรรมาศึกษาหลวงพ่อเทียนก็พบว่าคําสอนของอาจารย์มั่นโดยแกนแท้แล้วนี่ก็ก็เข้าได้หรือว่าสอดคล้องกับที่หลวงพ่อเทียนได้ได้ได้ยําเอาไว้นะก็คือเรื่องการมีสติรู้กายรู้ใจท่านก็ได้ ตั้งข้สังเกตว่านะในการปฏิบัติเนี่ยถ้าจะให้เลือกระหว่างการมาทําใจให้สงบแล้วก็กับการมาให้มีสติรู้ในชีวิตประจําวันคือรู้กายรู้ใจเนี่ยถ้าให้เลือกนะท่านว่าการมีสติรู้กายรู้ใจในชีวิตประจําวันนี้สําคัญกว่าคือถ้าจะตัดทิ้งอะไรก็ตัดได้นะแต่ว่าอย่าอย่าตัดอย่าทิ้งเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจําวัน คือการรู้กาย ร, รู้ใจไม่ให้เจริญสติเพื่อให้ใจสงบอย่างเดียวนะอันนั้นมันจะกลายเป็นสมถะอย่างที่ผู้ผู้เมื่อเช้าแต่ให้มีสติจนกรทั่งเราเห็นกายเห็นใจจริงๆไม่ใช่พอใจกับความสงบแม้จะสงบก็รู้ว่าสงบแม้ไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบการการทําที่นนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่พูดอย่างนี้อย่าบางคนก็บอกว่าเออก็ดีแล้วฉันเจริญสติในี้ชีประจําวันก็ได้เพราะฉนั้ฉันไม่ต้องมาวัดก็ได้ บางทีเราก็ไม่รู้ไอ้ที่คิดอย่างนั้นเนี่ยมีกิเลสมันหลอกให้คิดหรือเปล่าากิเลสมันไม่อยากจะละทิ้งความสะดวกสบายในเมืองมาอยู่ในในป่าหรืออยู่ในวัดนะกิเลที่มันฉลาดมันจะหาเรื่องนะให้เราเนี่ยไม่ไม่ปฏิบัติพอมันได้ยินว่าเออการเจริญสติในชีวิตประจําวันเป็นเรื่องสําคัญกว่ามันก็บอกว่างั้นฉันไม่ต้องมาปฏิบัติแล้วนะที่วัดฉันไม่ต้องมาเก็บอารมณ์แล้วนะฉันไม่ต้องมามาอยู่งี้ให้ลําบากนะฉันก็อยู่บ้าน อยู่ในเมืองอันนั้นอาจจะเป็นกิเลสก็ได้ที่คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าคนที่ตั้งใจจริงๆเนี่ยนะเขาเขาก็จะรู้ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเจริญสติในชีวิตประจำวันเพราะมันมีเรื่องกระตุ้นให้ไปฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยๆมันมีเรื่องที่จะยัออย่วยุให้กิเลสนี้ขึ้นมาครองใจโดยทำให้ใจนี้หลงหลงไปกับอารมณ์หลงไปกับความคิดต่างๆ เอาค่อยจริงจนะคนที่บอกว่าฉันจ ะ, จะเจริญสติในชีวิตประจําวันได้เอาค่อยจริงๆก็ก็อาจจะเหลวนะเพราะว่ามันถูกนะถูกความหลงแนะความลืมนี่กืนกินเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บางการที่จะเปลี่ยนตัวมาปฏิบัตินะในสถานที่อย่างนี้นะหรือว่าเอา่อในที่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็จําเป็นเลยเพราะคนที่ไม่ค่อยมีวินัย ไม่ค่อยมีวินัยก็หมายความว่าปล่อยตัวไปตามกระแสะคนที่ปล่อยตัวไปตามกระแสสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ปฏิบัติเท่าไหร่ในชีวิตประจาวันก็ไม่มีทางจะเจริญได้แต่แต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะมีมีสภาพแวดล้อมมีครูบาอาจารย์มีเพื่อนก็คอยเป็นกําลังใจและขณะเดียวกันก็คอยที่ทําให้เราต้องคอยระมัดระวังนะเพราะว่าคนล้อมก็ ก็ยังมีมา n ะอยู่นะก็กลัวเสียหน้ากลัวอับอายพอเห็นคนอื่นปฏิบัติก็ก็ต้องปฏิบัติบ้างไม่ใช่เพราะอะไรคือกลัวอายความคิดแบบนี้มันก็มีประโยชน์เหมือนกันก็คือทำให้ไม่เฉยแฉะนะไม่ปล่อยตัวปล่อยใจซึ่งตรงข้ามกับเวลาอยู่คนเดียวมันไม่มีคนเห็นนะไม่มีคนเห็นก็เลยกินเหลมก็ได้ช่องมีคนเขาบอกว่าเวลาคนเรามันอยู่ท่ามกลางสายตาของผู้คนเนี่ย โอกาสที่จะทำชั่วนี่มันก็น้อยลงโอกาสที่จะเห็นแก่ตัวมันก็น้อยลงโอกาสที่จะทำตามกิเลสมันก็น้อยลงถ้าเราอยู่ท่ามกลางผู้คนอันนี้เขาเรียกวความโปร่งใสความโปร่งใสคือใครๆก็เห็นได้ว่าการาอยู่ในสภาพเช่นนี้เนี่ยมันมันก็ว่าพาชีวิตของตัวเองเข้ามาอยู่ในความโปร่งใสคนก็เห็นก็ทําให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัตนะิอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะคลองตนให้ให้อยู่ในการปฏิบัติได้อย่างต่อเ น, นื่องแต่ทุกคนที่มีวิสติหรือว่ามีความตั้งใจนะอย่างเด็ดเดี่ยวเนี่ยอ ย, อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ในเมืองก็อยู่ได้อย่างอาจารย์ปราโมทนี่ก็ปฏิบัติตั้งแต่เป็นคารวาสก็เรียกว่าอยู่ในเมืองนะก็ได้อาศัยดูจิตดูใจมาตลอดแนะก็ ก็มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อนเป็นก่อนจะบวชพระแล้วคล้ายๆหลายคนก็นับถือเป็นอาจารย์ซึ่งซึ่งจากการปฏิบัติจากงานเขียนจากการพูดงท่านก็ก็ทําให้เห็นได้ว่าท่านก็มีการปฏิบัติหรือว่าบรรลุธรรมได้ขั้นสูงเหมือนกันนะแล้วซึ่งทำให้ท่านเห็นไล้ว่าโอ สายการปฏิบัติอย่างพระอาจารย์มั่นกับของหลวงพ่อเทียนนะซึ่งท่้งก็เคารพมากเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็ไม่ได้ต่างกันเลยแต่คนส่วนใหญ่ไปติดอยู่ที่อยู่ที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือหรืออยู่ที่รูปแบบก็เลยเห็นเป็นว่ามันแตกต่างกันฉันก็เห็นเลยว่าโอ้แตบบ่หลวงพ่อเทียนนี้นะการปฏิบัตินี้ก็เป็นวิปัสสนาได้นะแต่ว่าคน ที่จะเข้าใจแนวการปฏิบัติของท่านและปฏิบัติได้ถูกวิธีก็ไม่ใช่ว่าจะมีมากนะปฏิบัติไปกลายเป็นสมรถะก็มีแต่ว่าอันนี้ถ้าเราเข้าใจหลักการปฏิบัติและปฏิบัติทั้งในรูปแบบก็ดีทั้งในชีวิตประจําวันก็ดีมันก็จะทําให้เราเจริญก้าวหน้านได้มากขึ้น